พระธรรมเทศนาแผ่นที่94ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีสแสดงธรรมในวันที่17เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าข้อวัดปฏิบัติวัดป่าบ้านตาดตอนที่2วันนี้เป็นวันที่17อาทิตย์ที่17 เมษายนพุทธจักราช 2,559 เมื่อวานวันก่อนก็หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับปฏิปทาเรื่อว่าการดำเนินชีวิตของพระป่าที่องค์หลวงตามหาบูวพาดำเนิน ในขณะที่หลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อก็เล่าในช่วงที่หลวงพ่อเข้าไปนะเข้าไปอยู่นะแต่ถ้าหาว่าช่วงไหนหลวงพ่อออกมาแล้วหรือว่าก่อนหลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อจะไม่พูดหรือพูดนิดหน่อยโยองหากันเพราะในขณะที่หลวงพ่อเข้าไปอยู่กับองค์หลวงตาตั้งแต่ปี2512จนถึง2525 25, เป็นเวลาติดต่อกัน10บกว่าปีให้ลูกหลานนับดู ก, แ ก, กนะ็แล้วกันกี่ปีนะแล้วก็ขณะที่เข้าไปอยู่หลวงพ่อก็เป็นพระอายุพรรษ า, พษาเพียงสพรรษาคือบวชมาได้4ี่ปีแต่ว่าเป็นเนนมาก่อนเป็นเนนมา8ปดปีเป็นพระมาสี่ปีที่เขาไปอยู่องค์หลวงตา พนักงานคล่องแคล่วในการปฏิบัติี่ว่าการกิจวัตรข้อวัดอาจารยวัดหลวงพ่อที่ฝึกมากับหลวงปู่ล่ า, าท่านสอนทุกแง่ ม, มุมสำหรับชีวิตของพระกรรมฐานคนนั้นหลวงพ่อเข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดจึงเป็นพระที่ไม่เก้อเคิน เพรา ห, หลายเพราะเป็นสัมเารณ์อยู่กับองค์หลวงปู่ล่ามา8ปดปีการจะทําอะไรการจะเข้าไปอะไรการจะกราบขอโอกาสอะไรหรือว่าการที่จะเข้าไปดูแล อ, อุปถัมภ์ประทักษ์ครูบาอาจารย์จึงไม่ใช่ไม่ใชไม่ได้ไม่ได้ฝึกใหม่พอฝึกมาแล้วนะแต่ได้หลงพ่อเข้าไปอยู่ ปี 2,112 เมื่อวานหลวงพ่อเล่าถึงว่าชีวิตของการเป็นอยู่คือหลวงตามหาบวัวแต่ตอนย่าคำ่าตอนหัวคำ่ำท่านจะให้กลับให้เดินจงกรมที่กุฏิของใครของเราแล้วก็ตอนหัวคำ่ำพอขึ้นจากทางเดิน จ, จงกรมแล้ว ก็ขึ้นไปทำวัดเย็นของใครของเร า, เาแล้วก็นั่งภาวนาสี่ทุ่มท่านกำหนดเป็นกาหนดเว้นเสียแต่ว่าองค์นั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายาจะพักผ่อนก็ตามอัตยาศัยต้องมีคาตอบให้คำตอบได้แต่ว่าปกติแล้วท่านให้สี่ทุ่ม เ, เป็นอย่างน้อย เ, อเล็กเกินกว่านั้นไม่เป็นไร สีทุ่มท่าให้พักพ่อแต่ว่าการประชุมหลวงพ่อเข้าไปไม่ใหม่บางทีก็ประชุมห้า6วันบ้างเจวันบ้างประชุมบ่อยนะพอหลวงตายังหนุ่มอยูอ่เรียกประชุมการเรียกประชุมท่านก็ดูเพราะคนทั้งหลายก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องท่านมากศรัทธาญาติโยงก็ไม่มากในช่วงนั้นคือ ช่วงหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ต่างๆอยู่ในเมืองอุราเยอะอถ้าจะว่าไปแล้วหลวงตาของเราเป็นพระน้อยเป็นพระที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าเพื่อนอคนทั้งทั้งหลายรู้จักท่านน้อยเพราะท่านดุอีกต่างหากาคนทั้งหลายก็เลยไม่เข้าไปเข้าไปหาท่านเพราะทางก็เข้าไปก็ลําบากกว่าจะเข้าไปถึงถ้าว่าไม่ใช่รถ ดีๆก็เข้าไปไม่ได้รถสมัยก่อนก็หายากอีกต่างหากต้องเหมารถเข้าไปเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปกราบไปไหว้ไปหาองหลวงตาเนะี่ยน้อยสมัยหลวงพ่อก็ไปอยู่ใหม่แล้วก็คนนั้นท่านจึงมีเวลามากจากนั้นท่านก็เรียกไปชุมพอเรียกไปชุมท่านกัวันไหนที่มีประชุมท่านก็เดินไปเออวันนี้ประชุมนะหกโม6หกโมง หกโมงครึก็หกโมงหกมงยี่สิบนาทีองค์ที่ได้รับบอกกล่าวก่อนไปบอกองค์ที่อยู่ใกล้ๆก่อนอะประชมุมนะประชมุมหกโมงยี่สิบคือหกโมงเย็นองค์นั้นก็ไปบอกองค์นั้นองคนั้นใครข่าวว่าลูกแตกทำงานแต่ใครๆก็แบบองค์นี้ไปบอกองค์นั้น อ, อง ค, น, น, อองคนั้นไปบอกนั้นให้ไปบอกกันที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณยี่สิบนาทีเท่านั้น พระมาพร้อมกันนะปึ๊บเลยจากนั้นหลวงตาก็ลงมาท่านคลองทงลงมาเ น, นี่ยค่ะถือตรับหมักกับผ้าจีวรนผ้าบ่าอย่างนั้นท่านขึ้นมาท่านก็คลองผ้าวางตรับหมากแล้วท่านก็คลองกลองผ้าเสร็จแล้วขั้นก็กราบพระนะพอกราบพระพวกเราก็นั่งประจําที่กันลนะทั้งพระฝรัง่งทั้งพระไทยนั่งเรียงแถวนั่งประจําที่กัน จากนั้นทางก็พอกราบพระกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นกล่าบเจ้าพุทธรสเด็เจ้ะจับเจ้าขุนธรรมเจดียดที่ท่านตรงตากราบนะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สามครั้งนะกราบหลวงปู่เสากราบหลวงปู่มั่นกราบเจ้าพุทธรสเดชกราบเจ้าขุนธรรมเจดียดจากนั้นทางก็ประนมมือยกใส่เศียรของท่านนกใส่ศีรษะของท่าน จากนั้นกระลุกขึ้นมาก น, นั่งประจําที่ผมยั่งประจําที่กันเทปเลยแสดงธรรมอบรมพระแต่ไม่ใหม่สมัยนั้นตลวงพ่อไปอยู่เรคือว่าอัดเทปน้อยมากเพราะท่นไหมให้อัดนะน่าเสียดายอนะเพราะเครื่องอัดเครื่องอัดก็ไม่ดีมันเครื่องอัดก็มีแต่เครื่องใหญ่อฮนะเครื่องอัดเทปสมัยก่อนะ เหมือนกับม้วนเทบทุกวันน่ยม้วนไ อ, ไอ้ม้วนไอ้หลังวัดทุกวันเนี่ยนะลักษณะอย่างงั้นแหละฮะอันนี้ก็คือการเป็นอยู่นะจากนั้นเมื่อประชมุมเสร็จแล้วเมื่อท่านเทศจบท่านก่อยพระฝรัง่งท่านปัญญาวุฒโ ท, นะทน่ะเอาท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังนะแต่โดยมากจะมีพระฝรังห้าหกองนะนะจากนั้นท่านปัญญากาหา็หันหน้าไปทาง พระฝรังจากนั้นพระฝรังท่านก็เทศท่านก็เอาคำที่หลวงตาพูดเมื่อกี้นี่ยนะแนะนำพระฝรังอีกที่นึงตัวนี้นะน่าเสียดายอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะถ้าว่ามีเทพ อ, อ, อัดท่านปัญญานะอัดท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังโอ้จะเกิดประโยชน์ต่อชาวต่างชาติอย่างมากทีเดียวเลยอันนี้เราไม่ได้อัดเลยน่าเสียดายมาก ที่หลวงตาเทศจบลงไปแล้วก็ท่านปัญญาก็นั่งหันหน้าไปหาหมู่เพื่อน 5-4-5 หักองแล้วก็ท่านปัญญาก็พูดภาษาอังกฤษไร เ, เ่เราก็ไม่ได้ฟังแล้วเราก็นั่งหลับตาฟังเน่งหลวงตาท่านก็นั่งฉันหมากของท่านไปพระปรังท่านก็พูดอบรมอย่างที่หลวงตาพูดจบลงเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เลคือพอเสร็จแล้วท่านปัญญาก็หันหน้ากลับมาหาหลวงตา หลวงตามีอะไรท่านก็พูดอะไรให้ฟังเพิ่มเติมเสริมเข้าไปอีกกิ จ, จวัตรข้อวัดยังไงควรปฏิบัติยังไงควรตำหนิพระในวัดยังไงดุดาว่าก้าวยังไงท่านก็แนะนําบอกกล่าวกิ จ, จวัตรที่เล่าประวัติการที่เป็นอยู่กับไปอยู่กับหลวงปู่มั่นและอยู่กับอะไรท่านก็พูดพูดให้ฟังเสร็จแล้วก็เอาเลิกกันก็ประมาณชัก4ี่ทุ่มนะถ้าเลิกกันประมาณ3ามทุ่มกว่า4ี่ทุ่ม โดยมากที่ห้าท่มนน้อยมากแต่บางครั้งบางวันท่านก็ว่าท่านเหนื่อยท่างบอกเออวันนี้พระที่เป็นหมอเส้นนวดเส้นให้หน่อยวะวันนี้รู้สึกว่ามันยังไงยังไงมันขันหรือขันตัวไอ้ท่านเราก็รีบเอาเสื่อไปปูแล้วก็ท่านก็พักผ่อนพวกเราก็นวดเส้นถวายท่านเลยเอ า, ามะลุมมาตุ้มมะลุมมาตุ้มนะ แต่นี้ก็ในช่วงนั้นนะท่านก็จะเล่านิทานเรื่องต่างๆให้ฟังเลยทีเดียวเรื่องนิทานขมขมขันอย่างที่ท่านเคยเล่าให้ฟังยกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ยกตัวอย่างาท่านว่านะสมัยก่อนนะทุ่งนาเกลือคือข้างโรงพยาบาลนะเป็นทุ่งนาเกลือท่านว่ า, นะ เ, าเป็นป่ า, เ, าเป็นป่าที่เป็นป่านะนะั่นเป็นท้องน้ํา อย่ากนั้นก็มีพวกเก่งพวกว้างพวกละมังครับเยอะนะสมัยนั้นฮะแต่เนี่ก็มีสมัยนั้ น, น, น, น, นปืนปืนไม่มีเลยปืนเพลิงไม่มีเหมือนกัเป็นท่อเหล็กเนะี่ยเขาได้มาจากไหนก็ไมโลหละนะ่ะทำทํากนะ็รอหล่อเป็นท่อเหล็กแล้วก็เจาะเป็นรูกระดิมีมีดินไปสิวแล้วนะทันวันน ะ, ะนี่แหละท่านประุปชาท่านพูดให้ฟัง อุปชาวัดโยธาท่าพูดให้ท่านฟังอีกที่นึงฮะเอ่อนี้ก็น่ะอ่นายพรานเนี่ยพร า, านป่าเนี่ยก็เออได้ลูกตองมีลูกมือคนหนึ่งนะเออพวกมือเนี่ยก็ถือไฟเอ่อไฟเอ่อที่เป็นไฟถ่านน่ะอที่เป็นไฟถ่านอแล้วก็เดินตามหลังเวลาไฟเวลาถ่านมันจะดับกระเป๋า ไฟมันก็สีแดงขึ้นมาแล้วก็ไปไปกระเป๋าคือให้ไฟมันให้มันเป็นใหม่อยู่เรื่อยนะไอ้พรานเนี่ยกับคลานไปแล้วกัน้นะไปก็เป็นเล่งไปเห็นองค์เห็นละมั่งเห็นกวางเห็นเก้งก็เลือกเอาเลยมันเยอะเหมือนกันมันลงมากินน้ำเท่าไงนะมันก็ไม่กลัวคนอีกต่างหากคนโบราณสมัยนั้นมันมันมันคนน้อย พวกสัตว์ป่านี่เยอะทำนนะอย่างนั้นท่านนี่ท่านนี้ก็เอ็ดพรานนี่ก่อนคลานคลานคล า, านไปสมัยก่อนไม่มีกางเกงในเทนะ่านั้นลงตาท่านเล่าให้ฟังมันมีเกงไก่มีแต่ผ้าขมับพันพันพันแล้วกันจกจงกระเบนเนบเนบก้นแล้วก็ไปแล้วนะพอพรานไปไปเห็นพวกสัตว์ท่านนะอ่ลืมลืมผ้าจงกระเบนตัวเองเหมือนกันเลย หางาผ้ามันหลุดเลนี่พอหางผ้ามันหลุดทีนี้ไอ้ลูกน้องเนี่ยลูกน้องพรานเนี่ยก็ตามหลังไปเป่าเป่าไฟแั้นคือพบางแห่งพอได้ที่จะเล่งพอเล่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไฟที่เปล่าไปจี้ดินปืนนะพอจี้จะดินปืนมันก็นนนนนกนตัองต๊ิมไปเลยแล้วยิงแล้วแบบนั้นไอ้พรานเนี่ยเป็นผู้เล่ง ลูกน้องเป็นพวกเอาไฟจี้ใส่ดินปืนมาเงนินนะ อ, อันนั้นคือคือการเขายิงสัตวนะ์ที่ลงตาเราเราให้ฟังในขณะที่ท่านนอนท่านเราไปัว่เลาไปพวกเราก็นวดเจนถวายท่านนะอยากนั้นากนั้นวันหนึ่งนะพรานลู ก, ล, กลูกน้องพรานมาันคิดสนุปปนวกว่าไงพอพรานได้กันคนะานไปอย่างที่ว่านนะถือปืนมากับคานไปตามปานะ่าหญ้า พอคานไปตามป่ายาดเนี่ยไปเห็ น, ไ ป, หนไปเห็นเก้งกวางฮนะเออพวกโอง่งพวกละมั่งนะกับเลือกเอาไหนะจะเอายิงกันตัวไหนอย่างนั้นเลยเอแต่ได้พกพานแล้วกับคานไปกับผ้าเนี่ยผ้าขมานะี่ยที่นุ่งอยู่มันมันหลุดจนะมันหลุดหางมันหลุด่ยจะไหมพานก็ไม่ได้มองแลยผ้ามิจิสนไม่ได้สนใจผ้าขมาตัวเองหลุดอ่างนั้นเละนะมีแต่สนใจเก้งกวางละมั่งอยู่ข้างหน้าเลย ไอ้ลูกน้องเนี่เห็นลูกกับปว่ของนายใช่ไหมล่ะเออตรงเล่งตรงเล่งไปอันนี้ก็คิดสนุกใช่ไหมล่ะเออเอาไฟไฟไฟไอ้ที่ตัวเองเที่จะไปจุดดินไปสิวปืนน่ะเออคานค า, านไปตามหลังไปใกล้ๆกันเน่เพราะจะได้ควักมือล้วกแหลงแล้วกไปจุดทันทีแล้วมันอออันนี้มันคิดสนุกขึ้นมาอย่างง่ายก็ไมยโลกนัน เอาไฟตัวเองแดงๆมาไปจี้ให้ลูกกระโปงของนายพาโนไปลูกลกระโปกของผ่านดูวังดูซิเอาไฟจี้ลูกกระโปกมันจะร้อนขนาดไหนใช่ไหมะ่ะพานี่กร ะ, กระโดดทั้งทีเลยว่างั้นกระโดดแตนแตนแตนแนตึกว่าแตนต่อยต่อลูกกระโปกว่างั้นแตนแตนแตนแตนแจะมาจะมาแตนลูกกระวิ่งขยองเลยว่างั้นเถะ แม่ไม่สยงไอ้ลูกนอก้องเนียรู้ว่าตัวเองเอาไฟจุดลูกกระโปรงของนายไอ้ของนายพรานน่อยหัวลักหัวดิ่นชักดิ่นชักงอยไอ้คนเจ็บมันไม่มั น, ม, ม, น ม, มันหัวลอไม่ออกได้ใช่ไหมละ่ะไอ้คนที่ไฟจุดมันหัวลอออกใช่ไหมละ่ะหัวดิ่นชักดิ่นชักงอนะอ่ยตอนนี้โอ้หคนหนึ่งทําจริงคนหนึ่งมาทําเล่นได้เนี่ยเฮ้อจังเลยโมโห อ, อ, อย่างสุดๆเลย เพราะมันกระโดดขึ้นมาทั้งเก่งทั้งระมั่งทั้งโอมมังวิ่งไปคนละทิศละทางเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละลงตาเราเล่เานิทานสิ่งเหล่านี้ให้ให้ฟังในขณะที่นวดเส้นถวายท่านที่ศาลานะสมัยก่อนพระมันพระก็ไม่มากคนก็ไม่มากที่มายุ่งเหยิงวุ่นวายกับท่านท่านก็มีเวลาให้สอนสิทธิ์แบบ ว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไงป่าหลวงพงภัยแถบนี่เป็นยังไงนี่แหละก็คือความพิศาสักับลูกหลานถึงข้าดวทุ้นกระดุนะแต่ถึงข้าวให้ความเมตตาหรือว่าบอกกล่าวเรื่องต่างๆให้สิทธิารูา้สิทธิ์ฟังท่านก็เล่าเป็นเรื่องเป็นราวให้กับพวกเราฟังอใ น, นตัวอย่างหนึ่งนะมีหลายตัวอย่างที่หลวงพ่อได้ฟังจากองค์หลวงตานะที่เราเป็น เป็นผู้นวดเช่นถวายท่านพอได้เวลาเออเอ า, เอาไปไปพักผ่อนจะไปละขึ้นละนะ่ท่านก็ขึ้นไปแล้วก็เก็บสิ่งของนี่แหละอันนี้ก็คือการชีวิตประจำวันขององค์หลวงต า, าจากนั้นท่านก็บางทีท่านลงมาตอนเช้าท่านีท่านพาดจีวรพาดบาลงมาถือตลับหมากลงมาพวกเราขึ้นไปทำกิ จ, จวัดข้อวัดพอท่านลงมาทานี่ เออท่านมานั่งก่อนไนดะ้ไอ้พระองค์ไหนที่นอนตื่นสายใช่ไหมละ่ะมาที่หลังท่านเนะี่ยพวกหมูกระถูศาลาอยู่เนะี่ยอท่านก็ขึ้นไปกราบพระเนะี่ยพอมาเห็นรองเท้าเท่า น, นั้นแหละ <c oughs> ไม่ขึ้นซาลานะี่ยพายบาดเปิเด็บกับกุฏิเลยที่รีบเก็บให้ไวกลัวท่านจะเห็นอีกต่างหากคนหนึ่อันนั้นก็มีไม่ใฉ่น้อยมากันนะพระนอนตื่นสายเสิรนะ์ฟเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วกั คิดว่าน่าจะไปศาลาได้อยู่มั่งก็รีบมาบลูกมาที่ไหนได้มาเห็นรองเท้าของท่านท่านขึ้นศาลาก่อนแล้วถ้าขึ้นไปแล้วจะไปวางบาตรจะไปเก็บบาตรนั้นมันทําไมตื่นสายทั้พระองค์นี่ยเฮ้ยอย่าให้ได้เห็นอีกนันอหลวงตาเคยขูนะ่ไม่ว่าพระฝรั่งไม่ว่าพระไทยเราละนะกลัวท่านทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นพอเห็นรองเท้าท่านน่ะวันนั้นไม่ฉันยังหันเลยละอดเลยเหมือนกันนะ อกลัวกูบาอาจารย์กลัวหลวงตาเน่ยขนาดนั้นละ่ะเนี่ยแต่ที่งไงก็ยังอยู่กับท่านอยู่เพราะท่านชัเมตหมีเมตตาท่า น, สาานแสดงธรรมให้ฟังฮันนี้แหะคือส่วนหนึ่งฮแต่สําหรับหลวงพ่อหลวงพ่อพูดเมื่อวานเนะ่ยเกี่ยวกับหลวงพ่อแต่ขึ้นไปเพียงแต่ว่าขึ้นไปตอนเช้าที่กุฏิของท่านก็ไปถูใช้กรามมะพร้าวถูนะ พอถูเสร็จแล้วนี่ยลุงตาก็เปิดก๊อกแ ก, กนะ๊กออกมาเอ๋พระที่เป็นรุ่นพี่ของลุงพ่อน่ยครท่านก็ไปเอากระโถนออกมามาม้อให้เอ๋ลุงพ่อกันะได้กระโถนล ง, ลงไปล้างนะแต่องค์หนึ่งถ้ากกอดเข้าไปก็ไปเอาบาทจีวรของท่าน เ, เสร็จแล้วท่านก็ออกมาทลานก็ไปที่ศาลาแต่องค์หนึ่งเข้าไปแล้วก็ไปดูจัดที่หลับที่นอนของท่านผ้าห่ม อะไรออกมาผึ่งมาตากพื้นไหนควรจะมาควรจะชักควรจะมาซักมาทำความสะอาดองค์นี้ก็ททำหน้าที่องค์นี้เป็นภาระนะองค์นี้แหละสาคัญเป็นผู้ดูแลใครๆว่าความเรียบร้อยทุกอย่างอันนี้ก็คือตอนตอนตอนเช้านะเสร็จแล้วก็องค์นี้ก็ออกไปละไปบินทบบาทพอต่อมาพอตอนฉันยังขันเสร็จ พอฉันจเสร็จพอฉันเสร็จแล้วนะ่ยจะมีพระล้างบาทหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปล้างบาทท่านเป็นครั้งแรกนะพอไปจับบาดฮะเคยล้างบาทไปเนะี่ยมันเคยทําให้บาดตกแตกเสียหายไม่ได้น ะ, ะเราก็พร้อมเพราะเราเป็นเด น, นมาก่อนเนี่ยใช่ไหมเรื่องบาทเนี่ยเราดูแลอย่างดีกับหลวงปู่ล่าเพราะเราอยู่ในภูจะก้อ ม, มันเป็นหินอีกต่างหาก การที่จะวางบาทที่ไหนการที่จะเก็บบาทที่ไหนเลาวางเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะมันอยู่ใกล้หินเนี่ยอันนี้เรากับท่านขู่ดังนั้นเราก็ปนมมือใจหั ว, หวแล้วเราก็เลยรับบาทท่านไปอพอรับบาทท่านไปต่อมาล้วก็รับบาทท่านเป็นประจําเลยท่านรับเก็บมากับมาลากมาเช็ดให้สะอาดเรียบร้อยมาใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้คูบา อ, องค์ที่ท่านไปส่งบาดเราทําหน้าที่ ดีที่สุด เ, เพื่อดูแลับบริการของท่านเนี่ยอันนี้ก็คือการล้างบาทรพอเชินเสร็จสอ2องค์ก็ไปละท่า น, นสององค์ก็กลับไปกุฏิของท่านไปส่งบาตรไปวางบาทรจีวรของท่านไว้ที่ไหนแล้วก็เอาของออกมาที่ของท่านเคยใช้ประจําท่านก็ออกมาวางวางวงวางวา ง, วา ง, วางไว้เสร็จเรียบร้อยก็กลับพอท่านขึ้นไปกุฏิ ท่านก็ไปเดินจุดโกลมบ้างไปอะไรบ้างตามอัธยาศัยของท่านจากนั้นก็นตอนบ่ายบ่ายสามนะบ่ายสามจะปัดกวาดลงบัดปัดกวาดพร้อมกันนะั่นเอในสมัยท่านที่หลวงพ่อไปอยู่ใหม่ๆโ ก, โกโก้กาเฟน้ำร้อนนี่ไม่ได้ชั้นหรอกนะท่านไม่ให้ชั้นเลยล่ะจู่แบบฉันตอนตอ น, นเช้าแล้วก็จบเลยเไม่มีน้ํำปลานุ่งปานะเลยนั่นแหะต่อมาปีที่สองปีที่สาม มีพระฝรั่งมาจากอังกฤษเอ่อสมัยนั้นคือวันนั้นท่านฟินลิปเอ่อเป็นหัวหน้าประเทศคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสมัยนะั้นเป็นที่โด่งดังในต่างประเทศแต่เมืองไทยยังไม่มีนะคอมพิวเตอร์สมัยนะั้นเมืองไทยยังไม่มีมีแต่เนี่ยอังกฤษในชาวฝรั่งเออท่านเขมาเนี่ยท่านปัญญาก็บอกว่าเนี่ยท่านฟินลิปเนี่ยเอ่อเป็นหัวหน้า เรื่องคอมพิวเตอร์นะเราก็เพียงได้ยินเท่านั้นแ่ะจากนั้นมาท่านกับมีอายุแล้วเป็นเพื่อนกันหลงตาก็อือท่านฟินลิปมาเนี่ยก็ควรจะมีต้มน้ำปานะต้มน้ำร้อนโกโก้โ ก, กาแฟนะเลี้ยงเตียงพระนะตอนบ่ายนะทุกวันนะต่นนี้ต่อไปนี่แหละ ลงตาให้ให้ถามตะข่าวนั่นแหละสวงพ่อเขาไปอยู่ปีที่สองนะที่ท่านให้ต้ม โ, โกโก้โกาแฟเลี้ยงพระแล้วก็มีน้ําแข็งมีน้ําหวานเลี้ยงพระตอนบ่ายกระชั้นก็ไม่มากของมันน้อยไม่มีใครอติเลกกลาบสมัยนู้น น, ะนี่แหละอันนี้คือการเป็นอยู่ของชีวิตของพระวัดป่าบ้านดาสมัยที่หลวงพ่อเข้าไปอยู่นะ แต่ตอนี้พอไปส่งตอนบ่ายประกาศเสร็จแล้วก็มาชันน้ากันไอ้พวกที่ขนน้ำก็ขนน้ำนะมาโยกน้ํำโยกน้ําขึ้นจากบ่อมันมีเครื่องโยกคล้ายๆไม่ใช่ตักนะไม่ใช่ตะขอตักมีเครื่องโยกเครื่องสูบน้ําเครื่องโยกน้ำสามสี่องค์โยกแล้วสองสององค์ใส่รถเข็นไปตามกุฏิต่างๆใส่ห้องน้ํา ไม่มีน้ำประปานะบ้านตากไม่มีน้ำประปาสมัยนน้นไม่มีมีแต่ส่งน้ำไปตามกุติส่งน้ำไปตามตามห้องน้ำส่งน้ำไปตามกุติแขกอย่างนั้นก็มีรถละสองสามคันสองสามคันรถรถส่งกดน้ำไปส่งตามกุติต่างๆตอนเย็นจากนั้นก็พอที่จพร้อมพากันส่งน้ำอาบน้ำที่บ่อน้ำพร้อมกันอาบน้ำที่บ่อน้ำ ขึ้นมาแล้วก็อาบฉูกขึ้นมาแล้วก็อาบอาบเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างกับกุฏิของใครของเราอยู่ในความสงบอะไรเนี่ยเป็นเสียแต่ท่านบอกประชุมยังคอยมาประชุมถ้าไม่มีประชุมก็เดินโยกลมนั่งภาวนาของใครของเราเดินจยกล้มดี๋ยก่อนนะขึ้นไหวพระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาต่อสามสี่ทุ่มก็พักพรอนประมาณสักตีสามนะท่านให้ลุกตีสามนะ ตีสามตีสี่ตีสามกว่าตีสี่ครึ่งลุกละลุกมาทาง่าจะใครจะเดินยุกลงก็เดินได้ทํากุกมาทําวัดเช้าซะก่อนกันตะรงไปเดินยุกลงพอเดินยุกลงเสร็จแล้วก็บางทีก็นั่งภาวนาถ้านั่งภาวันเหนื่อยนะมันยังง่วงนะลงไปเดินยุกลงเสร็จแล้วกพ็พอจะเป็นอารุณวันใหม่ก็ไปศาลาละกันไปศาลาแต่เช้าพอไปถึงจัดที่นั่ง เพอตอนเย็นขณะที่พระสูบน้ำนะพระหนุ่มสูบน้ําพระแก่ผู้มีอายุพรรษาคือขึ้นไปถูศาลานะเอากลามะพร้าวถูสาราชั้นบนคืออาดสงนะอาดสงเวลาตอนเช้ามันเราไม่ได้ถูนะก็ปู่อาชนะพระเทระผู้ใหญ่ขึ้นไปถูนั่นแหละเอากรลามะพร้าวถูทำความสะอาดพอตอนเช้าเราไม่ได้ถูจุดนั้นถูจุดอื่นนะ นี่คือทำความสะอาดปัดกวดาดพระผู้ใหญ่พระผู้น้อยนขนน้ำนี่แหละชีวิตของพระวัดป่าบ้านตาตสมัยหลวงพ่ออยู่นะอยู่ที่วัดป่าบ้านตาตจากนั้นก็เนี่ยพอถึงตอนเช้าต่อมาปีที่2ที่3เนี่ยปีที่สองสองปีสองครึ่งท่านอาจารย์ยูนคูบายูนน่ยท่านมีอุปสรรคท่านก็เลยออกไป เขาก็เลยเอาหลวงพ่อขึ้นไปแทนแทนเป็นองค์องค์ที่องค์งที่หนึ่งเลยละ่ะเพราะว่าองค์ที่สองท่านก็ท่านจะดูแลเรื่องบาดจีวร อ, อยู่แล้วนะแต่หลวงพ่อเขาไปจัดที่หลับที่นอนองค์หลวงตาดูแลทุกอย่างนะาการวางแก้วน้ากระโถนที่ไหนาบางทีได้เอาจุดจุดจุดสถานที่ไว้ด้วยนะ เวลาวางก า, าน้ำไปจุดที่ไหนวางไว้ไม่ตรงนั้นเลยแล้วก็มีผ้ามีผ้าเช็ดมีผ้าขนหนู เ, นเล็กๆวางไว้ที่ลวงก า, าน้ําแต่ลงตาเนี่ยไม่ใช้แปรงสีฟันนะไม่ได้ใช้ยาสีฟันท่านจะไม้แต่ใช้ไม้ไม้จิ้มฟันไม้แปลงฟันสีฟันพอท่านจิ้มฟันเสร็จแล้วท่านก็หักเลยนะแปลกเหมือนกันนะทำไมลงตาหักไม้จิ้มฟันของลงตาทุกอันก็แปลกเหมือนกัน ตลอดมาเลยนะพอจิ้มฟันเสร็จเรียบร้อยแปลงสีฟันท่านก็หักเลยไม้สีฟันท่านหักครึ่งเลยเอมันคงจะไม่ให้ใครเอาไปจิ้มอะไระกันกระมังจิ้มถูจิ้มตากันนะท่านหักเลยไม้สีฟันของท่าน น, นี่แหละอันนี้ก็คือเพเสร็จแล้วนะ่ยท่านก็ล้างหน้าพอาน้ า, นานำในกาเนะี่ยน้ำกาเล็กๆท่านลูบๆลูบๆหน้าเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะั้นท่านก็เอาผ้าเช็ดหน้าอยู่ที่นั้นแหละเช็ดเชช็หน้าท่านไม่ได้ทําเวลาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาออกมาแปลงฝันกาดเกากาใช้เวลาตั้งหลายนาทีลวงตาไม่ละลวงตามีต่อน้ํารูปๆูบหน้าเสร็จแล้วกัเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดเช็ดเชนก็วางไว้ที่ลวงกาเนะนี่ยแหละอันนี้ก็คือเวลาเข้าไปนะองค์นี้แหละสาคัญ เข้าไปการดูแลการน้าทันวางไว้ที่ไหนกาน้าไปที่ไหนแล้วของใช้ของท่านมีอะไรมั่งหมอนอหมอนท่านวางไว้อย่างไรเคยดูเคยเดินโดนโดน ด, ดุนะท่านเอามอนไว้อย่างนี้เอาผ้าปิดอย่างนี้แต่เราไปเปลี่ยนใหม่ครั้งหนึ่งแอนก็บอกมาทาอีกอย่างเก่าอีกพอครั้งที่สามท่านะผิดปกติมันไม่ดูเหรอมันเข้ามามันไม่มันหลับหูหลับตาเห ทำไมเราให้ได้สอนกันก็ดูซิเขามาเลยสังเกตุซิว่ามันผิดปกติอย่างไรเราต้องการอย่างไรก็มาปฏิบัติมาดูแลามาเราทำให้เราหนักใจทำไมทาไมไม่ดูนะโดยมากเนะนี่ยนะผู้ที่เข้าไปอยู่จุดนั้นนะนี่แนหะละหลวงพ่อเนี่ยเขาไปอยู่จุดนี้ ห, หลายปีนะสัตยาญาติโยมโลกูกหลานแต่ในช่วงนั้นนะช่วงที่หลวงตากำลังพิมพ์หนังสือประวัติหลวงปู่มั่น แล้วก็ปฏิปทาพุทธดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นแล้วก็มีหนังสือจีเลยเพื่อใจที่ได้ทุกเนะี่มีอยู่สามเล่มที่ท่านพิมพ์ข่าวนั้น่ะพอท่านพิมพ์หนังสือเนะี่ยท่านท่านพิมพ์เองนะเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมาจากอังกฤษนะเครื่องพิมพ์ดีตตัวนี้ท่านปัญญาเขาเอามาถวายหลวงตาแล้วก็ใช้สมัยนะั้นไม่มีไฟฟ้านะใช้แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ท่านปัญญาได้เก่งนะ ทำแบตเตอรี่ใส่เข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปแล้วก็บางทีแบตเตอรี่อ่อนท่านก็ไปติดเครื่องฮอนด้าซัดแบตเตอรี่อีกแต่ลงตาพิมหนังสือนะพิมดิตแบบสัมผัสเละไม่ใช่บีบทรรมนานอายุทั้งหจะเข้าเจดิแล้วนะท่านยังพิมหนังสือแบบสัมผัสเปียบพิมแบบยงนั้นนาทีหนึ่งได้16 17คำนะ ไม่ใช่ธรรมดาได้ลงตาเนี่ยอัจฉริยะจริงๆนะนี่แหละท่านก็พิมพ์นี่แหละหนังสือหลวงปู่มั่นหลวงตาเขียนเองและก็พิมพ์เองนี่แหละหลวงพ่อตื่นเช้ามาหลวงพ่อเนะี่ยยกโต๊ะตัวนี้แหละมาวางโอ้โหวางก็ไม่ใช่ธรรมดาการวางโต๊ะนะห่างขนาดไหนด้านนั้นขนาดไหนด้านนี้นขนาดไหนเก้าอี้วางไว้ขนาดไหน พอฉันแขวนเสร็จแล้วก็มายกเครื่องพิมพ์ดีจขึ้นมาอีกวางอีกก็ให้ได้จังหวะอีกเนี่ยแหละสรุปแล้วก็คือหลวงตาเป็นคนละเอียดละเอียดทีท้วนที่เข้าไปอยู่ใกล้ชิดองค์หลวงตาเนะี่ยหลวงตามหาบัวเป็นคนที่ละเอียดทีท้วนแต่ไม่เหมือนหลวงปูล่ลานะหลวงปูล่ลาศแบบสบายๆเหมือนอย่างหลวงพ่อทุกวันเนะี่ยสบายบาๆก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรเท่าไหร่ก็อยู่นๆกันไป พิถีพิถันก็เท่านั้นแหละอ่าอ่คนนั้นแต่เราไปอยู่กับหลวงตาเนะี่ยท่านเป็นเจ้าระเบียบกดระเบียบอ่เราต้องพิธีพิถันอันนี้เล่าให้ลูกหลานฟังเป็นแนวทางนะอ่เป็นแนวทางเนะ่องปฏิปทาเรื่องการดําเนินชีวิตของหลวงตาเนะี่ยเป็นไปอย่างไรอ่ที่หลวงพ่อขณะที่หลวงพ่อเขานะ้เขาไปอยู่นะแต่นอกนั้นหลวงพ่อก็ไม่ไม่พูดนะอะ่ไม่พูด ในขณะที่หลวงพ่อมาอยู่จะพูดได้ยังไงอันนี้หลวงพ่อยูนะอยู่จุดนั้นนี่แหละอันนี้คือจากนั้นท่านก็พิมพ์หนังสือแล้วก็ส่งให้สีสั ป, ปดาเป็นอาทิตย์นะไม่ใช่พิมพ์ทีเดียวจบนะอาทิตย์หนึ่งสั ป, ปดาห์นึ่งเขาก็ขอมาแล้วก็ส่งไป3 4มสี่ห้าแผน่นสองสามแผน่นท่านบอกโอ้ทางวม ไม่มีการบังคับนะั้นเราเขียนไม่จบแน่แนประวัติหลวงปู่มั่นนะอันนี่เขาเขียนเขาเร่งมาแล้วก็มันจะหมดแล้วก็เขียนต่อไว้พิมพ์ไว้แล้วก็ส่งให้เขาเรามาพิมพ์ไว้ส่งให้เขานะจนถึงต่อมากเขียนปฏิปทานะพระธุโธงกรรมฐานเนะนี่นะอันเป็นธรรมเล็กขีดของหลวงตาแท้ๆเลยน ะ, ะประวัติหลวงปู่มั่นกับปฏิปทาพระธระตุโธงกรรมฐานนะพอพิมพ์เสร็จแล้วเนะี่ย ฉบับหนึ่งส่งไปฉบับหนึ่งเก็บไว้เนี่แหละการเก็บซ้อนเลยก็ทุกวันเลนยก็ท่านที่แรกท่านก็ซ้อนเองพอต่อมาท่านให้เราซ้อนแต่ส่านท้องกันดูท่านก็ดูเราอีกเหมือนกันนะกลัวมันจะผิดผิดพลาดนะในการซ้อนแผ่นประวัติของท่านาก่อนที่จะแผ่นที่จะส่งไปนั่นก็ท่านก็ดูอีกอแผ่นที่จะเก็บไว้ท่านก็ดูอีกะเออ นั่แหละได้หลวงพ่อเนี่ยเขาเท่าได้ทําหน้าที่จุดเน่แหละเพราะฉนั้นจึงรู้จักความละเอียดถีท้วนของหลวงตานะท่านถีท่วนโมมาลนะลูกหลานนะเพราะฉะนั้นถ้าผิดคาดเคลื่อนอะไร น, นะโฮหลวงตานี่ไม่มีองค์ไหนที่หลวงพ่อเคยอยู่นะไม่มีองค์ไหนที่จะดุยิ่งกว่าหลวงตาแต่ดูด้วยเหตุด้วยเหตุผลนะแต่ท่านดุด้วยอะไรเราฟังมาพิจารณาดูแล้วก็มีเหตุมีผลนะ แต่ถ้าว่าเราไปเข้าใจในจุดนั้นเราก็เข้าไปถามท่านเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อเนี่กลัวนะกลัวท่านแต่ถึงขา่าวถึงจะเข้าไปถามไปถามเลยนะเคยมีอยู่สองสามครั้งเหมือนกันนะ่ะที่เข้าไปถามความที่ท่านดุนะอแต่ว่าพอท่านนะเข้าไปถามท่านท่านก็เงียบบางทีท่านก็ไม่พูดเอาวันนี้หลวงพ่อเนีพูดแนวหนึ่งให้กับลูกหลานฟัง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพระลูกพระหลานต่อไปภายภาคหน้าพูดที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติก็ได้กิ จ, จวัตรสมัยก่อนที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านวางตัวยังไงทุกสิทธิานุสิทธิ์ปฏิบัติตนอย่างไรกับครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยะอันนี้คือเป็นการครูฝึกเรื่องสมาธิจิตภาวนานะ แต่เรื่องศินเนี่ยท่านก็ท่านไมได้เน้นมากเรื่องศินเพราะมันอยู่ในตำลับตำรามันมีหนังสืออ่านอยู่แล้วเรื่องศินถ้าข้องใจสงสัยตรงไหนให้ถามแต่เรื่องจิตภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนตัวต้องได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจึง จ, จะรู้ได้เรื่องภาวนานเนี่ยจิตจิตมันคิดเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงจิตมันปรุงไปอย่างนี้มันเป็นยังไงจิตมันออกไปอย่างนี้ จะมีวิธียังไงท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยฝึกมาแล้วผ่านมาแล้วท่านก็จะได้ให้คำแนะนำบอกกล่าวสำหรับเราถ้าเมื่อเรามีครูบาอาจารย์กอนไม่เนินช้าเพราะเพราะว่าเรากว่าที่จะเราปฏิบัติเองผิดผิดทุกๆกผิดๆกว่าจะคำหาที่ถูกได้ก็ใช้เวลานาน ว่าได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วเออเดินทางนี้เดินทางนี้เดินทางนี้นะ เ, เราก็จะได้รู้จุดไปจุดไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่านะอารพรในที่นี้นะว่าสรงอนุโมทนาให้พร